นี่นะจะสอนวิธีการเดินยังกลมให้แก่พระใหม่นะวิธีนั่งภาวนาค่นั่งอย่างพระประธานเห็นอยู่แล้วนะแต่วิธีเดินยังกลมเราไม่ต้องคลองผ้านะใส่ผ้าอาสาธรรมดาสบงผ้างสาให้เรียบร้อยนะไม่ให้ผ้าเปียกทางเดินยังกลมมันมีอยู่แล้วเป็นทางทุกกุฏิมีทางถ้าไม่มีก็พยายามปรับให้เสมอนะ วิธีการเร่งกลมเวลาก่อนที่เราจะเดินเรานั่งเราประนมมืออย่างนี้ก่อนนะยืนให้ตรงหลับตานึกไหวพระพุทธเจ้าในใจพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบนะจากนั้นเราจะแผ่เมตตาก่อนสักรอบแรก หรือสองรอบหรือสามรอบก็ได้เอามือลงอย่างนี้นะไม่เอามือควยหลังไม่ให้มือไม่ให้ขวยแขนไม่ให้กอดอกอ่านะให้เอามือทำลักษณะอย่างนี้เรียกว่าท่าลำพึงท่าไข้ควรท่าลำพึงท่าพิจารณาท่าอย่างนี้คือท่าอนะจากนั้นก็เราก้าวขาขวานะอืมเราจะก้าวขาขวาว่า เราจบเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขเราเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขเราเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขน่ะนึกในใจนะไม่ต้องพูดออกข้างนอกนะจากนั้นก็เอาขาขวาอีกเดินปกติเราพุทธโธสินะขาขวาพุทธซ้ายโทพุทธโทพุทโทพุทโทพุทธโทพุทโท โพุโทธโถพุโทโถพุโทโถไม่ต้องเดินช้าเดินปกติไม่ใช่เราเดินอย่างนี้ไม่ได้มันเบียดศีรษ ะ, ะทำให้เหนื่อยอเดินปกติเหมือนเราเดินทั่วไปแต่ให้มีสติในการก้าวเดินของเราเวลาเราจะหยุด หรือเราจะเดินยี่สิบ30งสามสิบนาทีเราจะยืนกาหนดลำพึงอย่างนี้ก็ได้ษถ้าเรายืนเรื่องเราก็กาหนดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทกาหนดลมฮะไม่กาหนดขาอะไรเลยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทพุทไม่ต้องเกรงไม่ต้องกึงหายใจตามธรรมชาติตามปกติพุทธ พุทธโธเรื่อยๆหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธอ่าอันนี้คือยืนยืนเดินยืนภาวนายืนเดินนั่งนอนนะจากนั้นเราก็เดินต่ออีกพุทธโทพุทธแต่เวลาเราจะหยุดเราก็บนมมืออย่างนี้ก่อนนะนึกพุทธโทธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเราก็อุทิศนกุศล ว่าข้าพเจ้าได้เดินโยมภาวนาในวันนี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บาเพ็ญขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขพ้นทุกข์ในวัฏสงสารและก็ขอให้ดวงวิญญาณบรรพบรุษทางหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าท่านพ่อแม่ของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขะพละทำใจให้นิ่ง อจากนั้นก็หยุดอันนี้คือวิธีเดินจงกรมนะส่วนวิธีภาวนานก็ได้สอนกันแล้วเป็นที่รู้กันแล้วนะแต่วิธีเดินยังกรมยังไม่ได้บอกยังไม่ได้กล่าวน ะ, ะวิธีการเดินยังกรมที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไรนะเพราะนั้นการเดินยังกรมพยายามเดินให้มากมากเท่าไหร่ จะเหนื่อยอไม่ใช่ว่าเดินพอปอบไปแปะแล้วกระจุดกลางวันว่างๆขันยังหานเสร็จแล้วไม่มีอะไรเดินจงกรมดูใจของตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธหรือจะนั่งก็ได้อจะพักผ่อนก็ได้จะดูหนงังสือตามมัธยายาใส่แต่พยายามนั่งให้มากเดินให้มากภาวนาให้มากสรุปแล้วนะ แต่เวลาเราอาบน้ําปัดกวาดทําทความสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่าไปคุยกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาวนาดีที่สุดนะพออาบน้นะําเสร็จแล้วพอปัดกวาดเสร็จแล้วเราไปเดินโยกมเลยก็ได้จากนั้นเราค่อยอาบน้ําแต่ตามไม่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมาฐานพระป่าเนี่ยท่านจะอาบน้ําก่อนพอปัดกวาดเสร็จแล้วมันร้อนอาบน้ําก่อนพออาบน้ําเสร็จเรียบร้อย ร่างกายเบาสบายจากนั้นเข้าทางเดินยังกลมพุโทโธพุโทโธเดินยังกลมจากนั้นพอค่ำเราจขึ้นไปทําวัดหรือ ก, ก่อนที่จะทําวัดเรานั่งภาวนาก่อนก็ได้นั่งภาวนาให้มันต่อเนื่องให้มันสืบเนื่องกับการเดินยังกลมเดินยังกรมเสร็จ น, นั่งพอนั่งเสร็จแล้วจะค่อยทําวัดเย็นนะสมมาละหังสมมาสมพุโทโธนโมพุทงังธรรมัง สังฆังรุตียมปิดอย่างที่เราเคยสวดสวดอะไรได้ก็ได้จากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจากนั้นก็พักผ่อนตามปกติพระกำรมฐานพักพ่อนในสี่มนะอสีท่ทมเนมับมีเวลาพักผ่อนกระีสามเริ่มลุกแล้วเริ่มลุกปฏิบัติแล้วอันนี้คือชีวิตของพระนะชวนชื่อไปจำวันกันอย่างที่ พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่นและ ว, วันนี้เป็นการเริ่มประชุมในช่วงที่เข้าพรรษาทั้งพระใหม่ทั้งพระเก่าพระเก่าพระใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่ผมเป็นห่วงพระใหม่เพราะพระเก่าก็เคยพูดเคยสอนเคยบอกเคยกล่าวกันมานานเท่านานรู้ พิธีการปฏิบัติศึกษาไปเรื่อยๆแต่สำหรับพระใหม่ที่เข้ามาใหม่ผมเป็นห่วงเรื่องการเป็นอยู่เรื่องการปรับตัวเรื่องการอยู่ในสถานที่พระป่าวัดป่าอยู่ในป่าบางองค์อาจจะมีความกลัวเป็นพื้นฐานเพราะไม่เคยอยู่องค์เดียว เมื่อเขามาบวชแล้วทั้งกลัวด้วยทั้งฉันมือเดียวด้วยทั้งอยู่องค์เดียวด้วยทั้งตางองต่างอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นสิ่งกดดันถ้าจะว่าแบบโลกเขาเรียว่าเป็นสิ่งกดดันทำให้เครียดลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริง ในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราวางตัวถูกถ้าเรารู้แนวทางถ้าเรารู้แนวปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าตามแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วอันนี้เป็นหนทางที่จะหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ตามลำพังอิสระ ในแนวความคิดอิสระในการเป็นอยู่ไม่ยุ่งเหยิงไม่วุ่นวายเป็นสถานที่หลีกเล้นเป็นสถานที่หลบหลีกไม่พุกพ่านวุ่นวายเป็นเวลาที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ตรวจตราดูตนเองเพราะว่าเราอยู่กับครวาญมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย ในชีวิตประจำวันของเราแต่บัดนี้พวกเราเข้ามาบวชเป็นพระเป็นพระป่าด้วยอยู่องค์เดียวด้วยชั้นเมื่อเดียวด้วยไม่ให้ครุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยอันนี้เป็นการอยู่แบบชีวิตของนักทศนักบวชเป็นช่วงที่พวกเราเสียสละเป็นช่วงที่พวกเราสันโดษ เป็นช่วงที่พวกเราจะมองดูกายวาจาใจของเราให้มากที่สุดถ้านเราคิดได้อย่างนี้ความเครียดก็ดีในอารมณ์ในจิตใจของเราก็ดีเราจะปล่อยวางลงไปได้มากเพราะชีวิตนักบวชอินอีกแบบหนึ่งเราควรศึกษาแต่เรามองแบบผิวเผิน แบบมองแบบโลกโลก ท, ทั่วไปบอกว่าพระบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ทำอะไรอยู่แบบสบายอยู่แบบไม่ต้องคิดอะไรยินทบาทมาฉันเป็นวันวันแต่ตามไม่จริงการบวชในแนวแถวพุทธประเพณีตามที่ครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติมาแล้ว ไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนกันเป็นของที่หนักมากชีวิตของครวัตเขาไปอีกแบบหนึ่งชีวิตของพระเขาไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่ผมเคยได้พูดเกินกับหมู่พวกเพื่อนแต่ทีแรกแล้วว่าชีวิตของพระเป็นการต่อสู้ทางด้านจิตใจชีวิตของครวัต เป็นชีวิตที่ต่อสู้กับการงานเตะแสวงหาทรัพย์เตะแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อดำรงชีพให้อยู่ได้ถึงจะทำยังไงก็ตามก็เพื่อดำรงชีพให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ได้แต่ชีวิตของพระการดำรงชี พ, พาภายนอกอาศัยบิณฑบาตอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพบิณฑบาต ตามมีตามเกิดมีมากชันมากมีน้อยฉันน้อยไม่มีไม่ชันเป็นชีวิตที่สันโดษสันตุถีประมังเท่านางความสันโดษเป็นรัพย์อย่างยิ่งสันโดษก็ว่าจามีตามเกิดมีอะไรมีมากมีของดีมีของเร็วใช้และยังไม่พอยัง พ, พุทธเจ้ายังสอนอีกว่าอภิชาตา ให้เป็นผู้มักน้อยอีกดิ่งน่องกว่าสันโดษสันโดษในตามมีตามเกิดอภิชาตานี่เป็นผู้มักน้อยถึงจะมีมากก็ไม่ฟุ้งเฟอเห่ห์เอามาเอามาใช้ให้น้อยหยิบมาใช้ให้น้อยเอามาฉันให้น้อยอยู่แบบเขีม้มเขียมอยู่แบบไม่ลืมตัวอันนี้คือ ชีวิตของพระการเป็นอยู่แต่ทางด้านจิตใจยังอีกต่างหากทางด้านจิตใจนั้นต้องปรับปรุงในแนวความคิดทางด้านจิตใจอีกด้านจิตใจทางโลกมีการศึกษาสูงต่ำมากน้อยอย่างไรแค่ไหนเรียนไปตาม สัญนาและสังขารวิ่งไปตามสัญญาและสังขารการเล่าเรียนศึกษาคือเบื้องต้นเมื่อเราเกิดเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กน้อยก็เรียนประถมต่อมามัธยมปัญญาตรีโทเอกแต่การเรียนเบื้องต้นการเรียนเพื่อจะให้รู้จักแนวทางจากนั้นก็เข้าสู่สังคม การอยู่ร่วมกันถ้าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีอ่านหนังสือไม่ออกก็โง่ในระดับหนึ่งแต่เมื่ออ่านหนังสือออกอ่านออกเขียนได้ก็มีความฉลาดขึ้นมาระดับหนึ่งจากนั้นก็เรียนวิชาอาชีพสาขาต่างๆมีมากมายในวิชาอาชีพในโลกเนี่ยเพื่อจะสอแสวงหา เมื่อใดความรู้และประสบแสวงหาทรัพย์หาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงอัตภาพเลี้ยงครอบครัววงศาขณาญาติอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเคยพบเคยเห็นเคยเจอจกไม่รยายยมากเพราะว่าชีวิตของครวิการศึกษาการเป็นอยู่กว้างขวางสรุปแล้วการศึกษา ทางครวญนั้นหรือการเป็นอยู่กับทางครวญนั้นมาจากการศึกษาเมื่อมีความรู้จากนั้นก็เสาะแสวงหาศรัพย์ความรู้ของเรานั้นในหลักของพทธศ า, าสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศึกษาตามสัญญาและสังขารสัญญาคืออะไรสัญญาคือความจำได้หมายรู คนเก่าๆคนแก่ๆคนเกิดก่อนเราเขาแต่งภาษาขึ้นมาเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาสมมมต์ขึ้นมาอันนี้คือกอไก่อันนี้คือขอไข่อันนี้คือขอขวดอันนี้คือขอควายจากนั้นก็ผสมตัวสะระอหเข้าตัวอักษรเข้าไปอ่านเป็นความหมายอันนี้คือสัญญาสัญญาคือความ จำได้หมายรู้คือคนบรโบราณเขาจำถ้าทอดกันมาแต่งท้าทอดกันมาส่วนสังขารที่จะปรงแต่งคือปรุงแต่งไปข้างหน้าจะทำยังไงภาษาเนี่จะให้มันสละสลวยจะทำภาษาใ ห, ให้มันดีขึ้นแล้วก็พูดเป็นสาเนียงเสียงออกไปจากนั้นก็มีความหมายเรื่องต่างๆ เ, เรียนวิศวะเรียนการแพทย์ เรียนสถาปนิกวิชาตำรวจทหารคือสังขารของคนเราปุงไปเรื่อยแต่และ ว, วิชาอาชีพคนหนึ่งปุงได้ขนาดหนึ่งคนที่สองปรุงให้ไปอีกสังขารให้กว้างขวางขึ้นไปต่อไปปรุงไปอีกพอในสุดอพอปรุงไปยาวๆเข้าเอากลับโคงมหาที่เก่าทิ้งที่เก่าไปก่อนอกลับโคงมหาที่เก่าเอาที่เก่าไปใส่ที่ใหม่เอาที่ใหม่ ผสมประสานกันอันนี้คือการศึกษาทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละวิชาแต่ล ะ, ะแขนงไทยจะเก่งขนาดไหนเก่งกาดขนาดไหนก็เถอะจะเรียนวิชาทางโลกให้จบทุกวิชาอาชีนั้นเป็นไปไม่ได้แต่วิชาหมออย่างเดียวเท่านั้นใครเก่งทางตาจะไปะเก่งทางหูทางจมูกทางกระดูก ทางผิวหนังทางอวัยวะภายในตับไตกระเพาะหลอดอาหารทางเดินปัสสาวะไตมีตั้งเยอะแยะเรียนเฉพาะทางเพราะนั้นใครจะเก่งหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่วิชาหมออย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วไม่ต้องพูดถึงวิชาอื่นเพราะนั้นใครก็ตาม แต่ยิงพยองว่าตัวเองหนึ่งเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉล า, าดรู้แต่เฉพาะสิ่งที่รู้ท่านเองฉล า, าดแต่ริงเฉพาะฉลาดท่านเองสิ่งที่มันโง่ทั้งเยอะแยะที่เราไม่รู้เพราะนั้นอย่าไปอวดอ้างถ้าอวดอ้างแล้วก็วางเขาเป็นคนโง่ไปมีเขาขึ้นมาบนหัวเลาวงั้นถ้าไปอวดว่าตัวเองฉล า, าดฉล า, าดแต่สิ่งที่รู้ท่านเองสิ่งที่ไม่รู้มีถึงเยอะแยะในโลก ชาวไร่ชาวนาของเขาเขาทําเขาศึกษาสารกระบุงตะก้าการจักสารของเขาเรื่องเราเรียนปริญญาเอกก็จะเราจะไปสารอย่างนั้นได้ไหมเราจะไปทําอย่างนั้นได้ไหมมันทําไม่ได้เพราะเหตุไรไอ้สิ่งที่เราทําไม่ได้ที่เร า, าศึกษาไม่ได้จุดนั้นคือจุดบอดหรือ จ, จุดโง่ของเราใช่ไหมจุดที่เราไม่รู้นี่ยคือจุดที่เราโง่ใช่ไหมก็ไม่น่าจะผิดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราไม่รู้มีมากไหมในโลกนี้ออกมาเราจะมาเชี้ให้ดูคนที่ว่าเก่งๆเนะ น, นี่ยอันนี้คุณรู้ไหมอันนี้คุณรู้ไหมอันนี้คุณรู้ไหมจะถามดูถ้าคุณไม่รู้คุณว่าคุณฉลาดใช่ไหมรอบรู้ใช่ไหมคงจะตอบไม่ได้เพราะนั้นวิชาทางโลกนี่มีมากมายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสกับพระสงฆ์ ท่านเสด็จไปอยู่ขอบสระในป่าท่านกวาดกําใบไม้ขึ้นมาดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายกําใบไม้ประดูลายในมือของเราตถาคตนี่กับใบไม้อยู่ในป่าอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ตอบขึ้นมาพร้อมกันว่าใบไม้อยู่ในมือของพระองค์มีน้อยเดียวใบไม้อยู่ในป่าในที่โลดอยู่ในมากกว่า พระองค์กับเปียบเทียบว่าชั้นใดพอดีพระสงฆ์ทั้งหลายทมคำสั่งสอนของเราแตา่ถาคศที่เอามาสอนพวกท่านทั้งหลายเอามาสอนพุทธบริษัทสี่เนี่ยถ้าจะเปียกเทียบเปรียบเหมือนกับใบไม้อยู่ในกำรร ม, มือของเราเอามาสอนสิ่งที่เรารู้เหมือนกับใบไม้อยู่ในป่าแต่เอามาสอนแล้วไม่เกิดประโยชน์ทำให้หลงไหลในกิเลสราคะโทสะโมหะหลงอยู่ในโลกวัะสงสาร เพราะนั้นเราจึงไม่เอามาบอกไม่เอามาสอนพวกท่านทั้งหลายพอสอนถึงจะไม่สอนทางโลกของกรติดอยู่ทางโลกอยู่แล้วหลงไหลอยู่แล้วยิ่งเอามาสอนขึ้นมาอีกมันแนะนํากันมาอีกพวกท่านทั้งหลายจะยิ่งจะติดในโลกเพราะนั้นเรานําำคำคําสั่งสอนที่มาสอนพวกท่านทั้งหลายให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสังขารเป็นยังไงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิด รู้เห็นยังไงให้เกิดความเบื่อหน่ายคลยจิตใจจะได้หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่อีกเราเอาทำคำสั่งสอนที่เกิดประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเท่านั้นมาสอนพวกท่านทั้งหลายสิ่งที่เรารู้ชวนอื่นที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายติดอยู่ในโลกเราไม่นำมาสอนพวกท่าน อันนี้คือพระพุทธองค์ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้ท่านรู้สยามผูรู้แจงโลกแต่ว่าท่านเลือกสรรเอาสิ่งที่จะทำยังไงจะทำให้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายและหลุดพ้นเพราะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปด0มืนสี่พันพระธรรมาขันเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะ อ่านแล้วจะศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาลีท่านจะเน้นหนักเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสรุปแล้วคือสอนเรื่องมรรคแในมรรคแนั้นสมาธิสัมมาสังกปรสัมมาวาจากมันตอาชีโววายโมสติสมาธิในมรรคแนั้นสรุปแล้วคือศีลสมาธิปัญญา แต่ท่านเน้นเน้นเรื่งปัญญาสินสมาธิแต่พวกเราพูดกันสินสมาธิปัญญาแต่ในมรรคแปดเรียงตามตัวหนังสือแล้วปัญญาสินสมาธิแต่ถึงจะเรียงถอยหน้าถอยหลังก็เถอะสรุปแล้วก็คือวิธีการปฏิบัติของพวกเราศินก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย สมาธิคือคื อ, คอ ต, ตั้งใจมั่นปัญญาคือคือความรอบรู้ในกองสังขารอันนี้คือคือมักแปดที่พระพุทธเจ้าสอนที่วางเอาไว้สำหรับให้เป็นทางเดินของเราเรียกว่ามักเรียว่าหนทางหนทางที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ในวัฏจสงสารอันนี้แหละคือว่ามักคะคือหนทาง ที้พวกเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนามาบวชในครั้งนี้ผมขอย้ําพวกท่านทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรมากว่าเราเข้ามาบวชเราได้อะไรถ้าเราอยากจะเรียนวิชาทหารเราก็ต้องออกไปเรียนทหารถ้ามีอยากจะเรียนตำรวจเราก็ไปเรียนตํารวจเราจะไปเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนวิชาต่างๆวิศวะต่างๆการเมืองการ ต, ตลาดอะไรก็ตาม การบริหารธุรกิจการงานอะไรก็ตามเราก็ไปเรียนทางโลกแต่ในช่วงสามเดือนนี้เรามาเรียนเรื่องพุทธศาสนาผมเองก็ผมจะไม่สอนวิชาตำรวจทหารวิชาเรื่องต่างๆ ว, วิทยาคณิตสถาปนิกวิศวะอะไรผมจะไม่สอนผมจะสอนเรื่องพุทธศาสนาศีล ส, สมาธิปัญญาให้แก่พวกท่านทั้งหลาย ทาว่าพวกท่านทางหลายมามาบวดแล้วเราไม่ได้รับรู้ไม่ได้รู้ทางโลกเราไม่ได้เรียนศึกษาทางโลกอันนั้นแปลว่าเรามาอยู่ผิดสถานที่ผิดกาลเทศะผิดการเวลาเพราะฉนั้นเรามาอยู่สามเดือนนี้เรามาบวชเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วทําตัว ทำกายวาจาใจอย่างไรในขณะที่เราบวชอยู่ในขณะนี้สามเดือนนี้เราจะปรับตรงตัวอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ถามตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้เราเป็นนักบวชขณะนี้เราเป็นสากยบุตรพุทธชิ น, นรด เป็นลูกของพระพุธทธเจ้าเป็นนักบวชที่เราจะต้องศึกษาคือศินสองอยี่สิบเจ็ถ้าเราอยู่ทางโลกเราก็อยู่ในกฎระเบียบวินัยกฎหมายบ้านเมืองถ้าเราไปอยู่มาเลเซียเราก็ต้องถือกฎมาเลเซียกฎหมายมาเลเซียถ้าเราไปอยู่สหรัฐเราก็ถือกฎหมายสหรัฐถ้าเราไปอยู่อังกฤษเราก็ถือกฎหมายอังกฤษ ถ้าเราไปอยู่ในสถานประเทศใดเราก็รักสากฎเกณฑ์ของประเทศนั้นแต่บัดนี้เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราเข้ามาถือกฎเกณฑ์ของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วคือสิน227คือสินพระปฏิโมกนอกจากนั้นคือว่าศินอภิสมาจารมาก สินพภิสมาจารมีหลายข้อแต่พวกเราท่านทางหลายเรื่องสินก็ให้ถือตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติถ้าว่าข้องใจตรงไหนอย่างไรพวกเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นแต่หางว่าพวกเราทําผิดไม่เหมาะสมอย่างไรพวกครูบาทางหลายก็จะบอกกล่าวพวกท่านทางหลายให้พวกท่านทางหลายเชื่อฟังไว้ก่อน อย่าไปดันทุลังอย่าไปดันในคิดในแง่ของอารมณ์ให้ฟังครูบาเก่าไว้ก่อนถ้าจะอธิบายให้ฟังว่าทาไมพิษอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทาไมเปเนี่ยเนี่ยซก่อนเราจะค่อยเราจึงยอมรับอันนั้นแปลว่าเราจะดันทุลังไปสักหน่อยแต่เมื่อครูบาบอกแล้วเราฟังเหตุผลจากนั้นเราก็ค้นคว้า ในหลักธรรมวินัยเป็นยังไงสมณะสารูปเป็นยังไงโลกาวัชชะเป็นยังไงเราเป็นนักบวชท่านโลกเขาติตเตียนและเป็นยังไงการเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นยังไงสมณะสารูปคืออะไรสิ่งเหล่านี้ท่านเราบวชนานเข้ามาเราจะรู้ได้ว่าเออการเป็นอยู่ของนักบวชนี่เป็นอย่างนี้ควรทําตัวอย่างนี้กิริยามาร ย, ยาทตรงวางอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนครวัตถ้าเราทําตัวเหมือนครวัตทุกอย่าง ฆราวารเขาจะกราบไล้ลงคออย่างไงเพราะเราเป็นฆราวาสทำตัวเหมือนฆราวาสที่เขากราบไหวเพื่อความสนิทใจนั่งคุกเข่ากราบเราเพราะว่าเราผิดแปลกแตกต่างจากฆราวาสเราไม่ได้ทำตัวเหมือนกับฆราวาสเราทำตัวเป็นศักจะบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นพระ อยู่ในศินสองอยี่สิบเจ็ดอันนี้เธอคือทำเขาชราวาดเขาทําไม่ได้เขาทําอย่างเราเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าเราทําได้เขาจึงกราบกราบด้วยความสนิทใจเขาไม่ใช่กราบคนนะกราบผู้คนธรรมกราบผู้มีสีนถ้าเราลาสิกขาไปแล้วเป็นครว่ า, วาแล้วเขาก็ไม่กลับ เพราะเหตุเพราะมันเสมอกันกับเขาแต่เมื่อเราเข้ามาบวชนี่เขามากลับก็เหตุใดเพราะเราทำตัวกายวาจาใจของเราให้เหนือเขาเพราะนั้นสิ่งทั้งสองอย่างตรงนี้แหละระหว่างนี่หละให้เรานำมาคิดนำมาพิจารณาว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรเรา นม่ใช่ฆราวติเราเป็นผู้มีศีลมีศีลแล้วยังไม่แล้วยังมีธรรมอีกพยายามให้มีธรรมในใจขึ้นมาอีกอันนี้ละ่ะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระใหม่ให้ตรวจตราดูตนเองไว้อยู่เสมอแล้วก็ให้ศึกษาครูบาเก่าท่านก็จะบอกแนะนำให้ฟัง แต่ถ้าเราไม่ลงใจแนะนำนี้ถูกหรือผิดให้ามาถามผมได้ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าของวัดผมยินดีรับฟังในเรื่องความคิดเห็นของหมู่พวกเพื่อนพวกองค์ทั้งภายนอกทั้งภายในภายในใจมีความหนักใจเรื่องอะไรในภาคปฏิบัติเรื่องอะไรในการเป็นอยู่เรื่องอะไร ถ้าว่าเป็นอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วอยู่ในหลักธรรมวินัยแล้วผมยินดีที่จะให้คําแนะนําต่อพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองค์อยู่แบบเป็นผู้ศึกษาอยู่แบบเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แบบนักบวชสัจจยบุตร ลูกพระพุทธเจ้าให้มุ่งมั่นให้ตั้งใจให้เกิดประโยชน์ในขณะที่เราอยู่เนี่ยสามเดือนจะให้ขาดตกบกพ่องอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นในสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องพยายามอดทน ขันติคือความอดทนต้องมีอยู่ในใจของเราตลอดถ้าหาว่าพระไม่มีความอดทนจะเป็นพระไม่ได้พระต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานจะกินจะนอนจะพูดจะร้องรำทำเพลงจะออกนอกลูก่นอกทางเราต้องมีขันติทั้งนั้นคือความอดทน จะไม่พูดจะไม่ทำจะไม่อยู่จะไม่กินจะไม่นอนจะไม่ทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่เราเคยชินมาแล้วนั่นน่ะแต่นี้เรามาบวชอย่างนี้มาปรับตรุงตัวอย่างนี้มันไม่ใช่ของทาได้ง่ายมันทาได้ยากเหมือนกันแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วเกิดประโยชน์เราจะภาคภูมิใจอย่างมากเมื่อเราทําผ่านไปแล้ว เรานั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกอง น, นะที่เขามาบวชในครั้งนี้ให้ใส่ใจให้สนใจให้ปฏิบัติให้เป็นพระที่สมบูรณ์แบบที่สุดในสามเดือนจะให้ขาดตกบกพ่องสําหรับพระเก่าก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้บวชในพุทธศาสนาแล้วนับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาบา ร, รมีที่เรามาบวช หาโอกาสได้ยากเราก็พยายามทําความภาคความเพียรให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆอันนี้คือการเป็นอยู่การปรับความคิดการปรับแนวความคิดการปรับความคิดเรื่องความคิดความอ่านเนี่ยบางทีมันทําให้ตัวเองสับสนวุ่นวายมันแก้ไม่ตกมีมากต่อมากแต่ตามใ้จริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น เราทำอย่างอื่นมามากต่อมากอายุถึงขนาดนี้แล้ว20 30ปีก็ไม่ใช่ว่ามันจะเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี้เราเข้ามาบวชเพียงสามเดือนให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยมันจะจิบหายปนปี้มันจะจีพายขนาดไหนหอย่างไงมันจะจิบหายขนาดนั้นเชียวหรือถ้าไม่ใช่กิเลสออกนำหน้าผมว่าเนี่ยมันน่าจะคิดได้อย่างนั้น ท่ากิเลสนำหน้าและก็อย่างว่านั่นนะไม่ลดลามวาสอกมันจะเอาได้อย่างใจตัวเองแต่ถ้าว่าทาออกมาแล้วนั่นลหละเราจะต้องอดทนจะต้องขันติจะต้องปฏิบัติตัวให้ดีที่สุดในขณะที่เราเป็นนักพจนัก บ, บวชสามเดือนนี่นี้เมื่อผ่านพ้นไปแล้วพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเราเอง จะภาคภูมิใจอย่างมากว่าชีวิตของเราที่ได้มาอดทนในบามบอมเพญศิล ส, สมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาสามเดือนเป็นชีวิตที่ปลอดโปรง่งเป็นชีวิตที่ปลอดภัยเป็นชีวิตที่ขาวสะอาดเป็นชีวิตที่ไม่มีมลทินในขณะที่สามเดือนเพราะนั้นผมอยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนี้สำหรับหมู่พวกเพื่อน อย่าให้กล่าวประโยชน์เมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ไปคิดพวักพวบเกิดทางโลกมันคิดไปหาอะไรมันได้อะไรมันอยู่ทางโลกมันคิดมาพลงังไม่เห็นได้อะไรเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วสามเดือนเราจะไปคิดหาอะไรอีกเราน่าจะตัดให้มันขาดสามเดือนค่าจะอยู่แบบนักบวชค่าจะอยู่แบบลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เราจะไม่มีเยื่อใยอะไรทางโลกเราจะอยู่เป็นพระเต็มร้อยเปอร์เ็นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจในขณะที่เราบวชในครั้งนี้นั่นแหะควรจะตัดอย่างนั้นตัดในใจมันจึงจะจิตใจจึงจะก้าวหน้านั่งสมาธิก็จะเป็นสมาธิเดินปัญญาก็จะเดินเป็นปัญญาแต่ถ้าหาว่าเรายังพวกละพลอยู่ทางนอกอยู่เหมือนกับไม้ ที่ยวขึ้นมาจากน้ำแต่ยังมาชุ่มอยู่ด้วยยางก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นไฟได้สีให้เป็นไฟได้เพราะมันยังชุ่มอยู่ด้วยยางอยู่นี้ก็เหมือนกันเมื่อเป็นครวญเรายังชุ่มอยู่ด้วยยางแช่อยู่ในน้ำแช่อยู่ในครวญแต่เรามาเป็นพระยกขึ้นมาจากน้ำแล้วมาอยู่ในบนบกแต่ว่าใจของเรายังไปแช่อยู่ในน้าใจของเรายังเป็นชุ่มอยู่ด้วยยางอยู่ ก็ไม่สามารถที่จะสีให้เป็นไฟได้เพราะนั้นทำใจให้แห้งให้ตัดขาดจากโลกแบบอยู่แบบนักบวชแต่ละวันท่านทำยังไงท่านสอนยังไงปฏิบัติอย่างนั้นวิธีการทำสมาธิทำอย่างไรไท่านบอกว่าเรื่องสติเป็นเรื่องที่สำคัญมากในภาคปฏิบัติเบื้องต้น เรายังปล่อยใจให้ออกไปในมีช่องว่างทำให้ใจออกไปภายนอกได้อยู่มันยังมีความคิดออกไปข้างนอกกินสัญญาอารมณ์ข้างนอกมันเคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาอยู่จุดนี้มั่งที่ทำให้เรามันมันไม่กล้าหน้าอยู่นี่จากนั้นเอาสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดตั้งแต่ เริ่มแรกเอาอนุบาทนี่เราให้มีสติอยู่กับตัวเองเวลาเดินพุโทโธขาทุกขาเก้าวไปเดินบินาบาตรไม่มองหน้าใครพุโทโธตลอดได้ยังไงไม่ได้ยังไงพุทธโธไปตลอดกลับมาฉันฉันขณะที่ฉันก็พุโทโธอยู่ตลอดคือไม่ให้เผลอไปทางอื่นจักรวาลเจ้าจทําเสร็จแล้วก็ให้รู้ว่าจักว่าลทำทำเสร็จแล้วก็พุโทโธอยู่ตลอด ก่อนนอนกับพุโทโธอยู่ตลอดตื่นึ้มามีสติพุโทโธอยู่ตลอดในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเล้นแต่ขณะหลับเท่านั้นให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละท่านว่าตอนที่จะตั้งตัวได้จิตที่จะเป็นสมาธิได้เบื้องตน้นมาจุดนี้เพราะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสาหรับผู้ปฏิบัติเริ่มตน้น จากนั้นก็ทําเรื่อยๆไม่มีเวลาขาดสายว่างั้นเถอะจิตใจจนอยู่นิ่งพอจิตใจขึ้นระดับหนึ่งแล้วนี่ไม่ต้องบังคับแต่บ้านมันขึ้นขั้นระดับจิตใจไม่หิวโหวยกับอารมณ์แล้วมันไม่ได้บังคับยากแต่บ้าเนเลยมันบังคับแต่ทีแรกท่านเองนะ่ะไม่ใช่ว่าบังคับตลอดไปไม่ใช่การปฏิบัติแต่เบื้องต้นเราต้องบังคับท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับเด็ก ยังไม่รู้จักหน้าที่การงานยังไม่รู้ว่าการเรียนหนังสือนั้นเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปทาไหมศึกษาไปทำไหมเด็กมันก็ขี้เกียจเพราะว่าไม่รู้การเรียนการศึกษานั้นเพื่ออะไรจากนั้นพอใหญ่ขึ้นมารู้แล้วว่าการศึกษาการเรียนนั้นเพื่ออนาคตของตัวเองเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่เพื่อจะมีหน้าที่การงานต้องได้รับการศึกษาที่ดี ทีนี้พอรู้แล้วก็นี่ขยันเองอหะทีนี้ถ้าเป็นผู้ขยันนะ่ะนี่ก็เหมือนกันขณะที่เราตั้งสมาธิเบื้องต้นเนมันตั้งไม่ค่อยอยู่เพราะมันยังไม่เห็นคุณค่าว่าสมาธินั้นคืออะไรจิตมันทะเลถลมันไปห่วงหาอารมณ์ต่างๆใจมันก็รุ่มหลงกับอารมณ์ต่างๆผลที่สุดมันก็เลยไปทะเลถลไปตามแนวความคิดของเรามันสู้อารมณ์ไม่ได้สู้อารมณ์ เก่าแก่มาแล้วมันดึงชักลากไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่จะปฏิบัติทั้งที่จะภาวนาอารมณ์ก็เข้ามาแล้วก็ดึงลากไปผลในสุดก็งายล้มผอยงายผึ่งแต่นี้ต้องบังคับต้องมีสัจจ์บังคับตัวเองนี่ละการบังคับจุดนี้จะเป็นจุดที่หนักมากที่จะบังคับจิตใจเข้าสู่กฎเกณฑ์ตัวนี้เรื่องสมาธิเบื้องต้น แต่เมื่อเราบังคับแล้วจิตรู้จักคุณค่าแล้วจิตใจเย็นสบายมีความสุขไม่อยากจะออกเลยได้ป่านไม่อยากจะคิดแต่ได้ไม่อยากจะปุ่งฟุ้งเลยได้ป่านเข้ามาจิตใจเย็นสบายนี่แหละท่านบอกวันนั่งตลอดคืนบัดนั่งตลอดคืนดูใจตัวเองสติกับจิตแน่วอยู่อันเดียวกัน <S <S ถ้าว่าคนสมาธิไม่ดีจะนั่งตลอดคืนไม่ได้เด้นั่งมาอยู่หอกนั่งไม่ติดหอก นั่งไปน้ำมาขายุกขยิกขยุกยิกก็ถอยหลังหาทางออกซะนะแต่นี้ท่านนั่งตลอดทั้งคืนเว้นสองสามวันนั่งอีกทั้งคืนอีกเว้นอีกสามสีวันนั่งอีกอันนี้คื อ, อ, อเรื่องของท่านมาบอกกล่าวพวกพระรูปพระหลานทั้งหลายอย่างน้อยก็นําเป็นแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัตินี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจเรื่องสมาธิเบื้องต้น อย่าไปคิดถึงอารมณ์อย่างอื่นให้นึกพุโทโธอย่างเดียวพร้อมขับลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งจากนั้นก็มานั่งภาวนาเมื่อนั่งภาวนาจิตสงบนิ่งแล้วแต่นี่นั่นแหละใจของเราก็จะรับความสบายเย็นสบายเล้แต่ไหหายห่วงจิตใจที่ฟุ้งเฟอ้อจิตใจที่เดือดร้อนจิตใจที่คิดสลับวนวุ่นวาย อารมณ์ร้อนเดือดปุ ด, ป ด, ปดในใจเนี่ยจะดับลงไปเรื่อยๆใจจะเย็นสบายในขณะที่นั่งสมาธิใจจะได้รับความสงบชั่วขณะหนึ่งก็ยังจาไม่ลืมนะพอนั่งพอนาบังคับซ้ายบังคับขวาบังคับหนา้บาบังคับหลังบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองพุโทโธพุโทโธมันจะมีช่วงหนึ่ง มันจะมีขนาหนึ่งที่เรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอยู่จิตมันจะคลองเข้าสู่ความสงบไม่มากก็ต้องน้อยผลแห่งความสงบมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนบางคนกับพอจิตบังคับเข้าสู่ความสงบมันจะวับเย็นสบายในขณะหนึ่งอันนี้เรียกว่าคณิกะในหลักของปฏิบัตินะคณิกะสมาธิ จิตใจเข้าสู่ความสงบเพียงประเดียวประดาวเพียงชั่วคู่ชั่วขณะคณิกะสมาธิเพียงแค่นี้จําไม่ลืมเราพอใจของเราจิตของเราใจของเราเนี่ยไม่เคยได้รับความสงบมีแต่เรื่องวุ่นยุ่งเยอะวุ่นวายคิดสรับวนวุ่นวายเรื่องต่างๆแต่มาครั้งนี้พอเราบังคับเข้าจิตเข้าสู่ความสงบได้เพียงชั่วขณะหนึ่งท่านเองใจของเราได้รับความ เย็นสบายจำไม่ลืมโอ้จิตในช่วงนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นผิดปกติในจิตใ จ, ใจทั้งหลายอันนี้เร้กว่าคณิกะเพียงเท่านี้ก็เป็นผลยาวนานทีเดียวจิตสงบแต่นนเราจะเดินทางด้านปัญญากับเพียงรณาร่างกายสมมติว่ามันเอาไม่อยู่ พอพุทธโธขาขวาพุทขาซ้ายผมก็คิดไปล่ะคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้คิดไปเรื่องนี้คิดไปเรื่องนั้นมันเอาไม่อยู่มันปุ่งฟงุ้งซ่านถ้าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นให้มันปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ในกายกายแยนครเนี่ยนครของกา ย, ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าให้เราพยายาิจารณาดูสิ ดูให้มีสติอยู่ตั้งแต่หัวจนถึงจดเท้าแต่ถ้าว่าเรามันยังไม่อยู่เราเคยเห็นโครงกระดูกไหมเราเห็นในสมุดในกระดาษอะไรก็ตามที่เขาวาดโครงกระดูกของคนนั่นแหละเอาเรากําหนดดูโครงกระดูกหรือเราเคยไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนเรากาหนดดูในร่างกายของเราก็มีโครงกระดูกอย่างนั้นแ่ะอยู่ในกระดาษ อยู่ในโครงที่เราเห็นจากนั้นเราก็นําจิตของเรานํามาพิจารณาในโครงกระดูกของเราเองไม่ต้องคิดไปที่อื่นอขณะที่เดินจงกลมเราก็เหมือนกับโครงกระดูกมันเดินไม่ให้มีเนื้อไม่ให้มีหนังมีเอ็นให้มีแต่กระดูกอย่างเดียวให้อยู่เป็นโครงกระดูกเพราะร่างกายของเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยโครงกระดูกถ้าเอากระดูกออกซะ มันก็เหมือนกระถุงหนังห่อเนื้ออยู่นั้นน่ะเพราะกระดูกนะเป็นโครงสร้างให้ลุกนั่งได้ที่พวกเราท่านทั้งหลายอยู่เด้นนี่ก็คื อ, คอโครงกระดูกเป็นแกลนข้างในถ้าว่าไม่มีโครงกระดูกหนังมันก็มีแต่หุ้มอยู่ในเนื้อทะเนนไม่มีกระดูกเพราะนั้นทุกคนมีกระดูกถามตัวเองว่าเรามีกระดูกใช่ไหม มันก็ตอบตอบว่าใชา่สัตว์สาตสิงหวัวควายเขามีกระดูกใช่ไหมมันก็ตอบตอบว่าใชา่หมามีกระดูกใช่ไหมใช่ผู้หญิงผู้ชายมีกระดูกใช่ไหมใช่นอกจากตัวของเราทุกคนมีกระดูกใช่ไหมใช่ทีนี้กระดูกของเราเป็นยังไงดูกระดูกของเรารูสิเอาใจของเราอยู่ใน กระดูกเนายกายยนาพรเพิยารณากายกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสีให้อยู่ในกายเรากําหนดดูกระโหลกศีรษะก่อนกะโหลกศีรษะข้างบนเน่มันเป็นซี่ซี่มันเป็นฟันหมาตายในกระโหลกของเรามันผ่าตรงกลางมันเป็นสิ้นสิ้นเข้าฟันหมาตายกันถูกกะโหลกจากนั้นกมาตาตาหูจมูก ถ้าเอาเนื้อเอาหนังออกจะมูกคูวกอีกจากนั้นก็มาปากปากข้างบนก็ติดกับกระโหลกศีรษะข้างล่างก็เป็นขากานไกลฟันเป็นชี้ีจากนั้นก็ลงมาที่คอเป็นป้องๆเป็นขอๆอจากนั้นลงมาที่แขนแขนขวามีหายฟารากระดูกหายฟารากระดูกไหล ลงมากระดูกแขนกระดูกข้อศอกกระดูกเป็นข้อจากนั้นกระดูกระดูกแขนเป็นสองสองชี้จากนั้นกระดูกฝ่ามือแยกออกเป็นนิ้วๆถึงห้านิ้วเอาจิตกำหนดดูนะอันนี้เราบอกวิปัสสนานะอันนี้คือวิปัสสนาดูในฝ่ามือเป็นชี้ๆพอดูแล้วก็ดูร้อนกลับขึ้นมาอีกมันดูแขน มันดูข้อศอกมันดูป้องแขนข้างบนมันดูหัวไหล่มันดูลงข้างซ้ายอีกมันจดยังไงเง่าแขนมันติดอะไรมันมีโบกจะมีเอ็นมันดึงรัดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดกันมีหนังมีเนื้อหุ้มเอาไว้แขนข้างบนมีท่อนเดียวลงมาข้อศอกจากนั้นก็มีลงมาแขนป้องหลัง มีสองชีข้างซ้ายจะน้ามากลงมาฝ่ามือมีข้อมือมีฝ่ามือมีข้อนิ้วมือเป็นข้อๆทั้งห้านิ้วดูแบบช้าๆดูละเอียดจากนั้นดูย้อนกลับมาอีกขึ้นมาอีกจนถึงหัวไหลจากนั้นก็ดูกระดูกสันหลังมีชี่โครงทั้งสองข้างเรื่อหุ้มปอดหุ้มตับหุ้มลำไส้อาไว ไม่ให้ตับใตไส้พุงกระทบกระแทกมันเป็นชี้โครงหุ้มเอาไว้จากนั้นก็นดูสันหลังดูชี้โครงไล่ลงไปจนถึงเชิงกานจนถึงเชิงกลานจนถึงสะโพกจากนั้นก็นไล่ลงไปถึงขาขาขวามีท่อนเดียวแล้วก็มีหัวเขา่าแล้วก็มีแข้งลำแข้งมีสองชี้ชี้ใหญ่กับชี้เล็กจากนั้นก็นลงไปถึงเท้ากระดูกเท้า กระดุกนิ้วเท้ามีห้านิ้วจากนั้นก็ย้อนกลับขึ้นมาอีกตามข้อจนแข้งถึงหัวเขา่าถึงขาถึงสะโพกถึงเสิงกลานจากนั้นลงไปทางซ้าย ก, กำหนดดูให้ละเอียดช้าๆดูตลอดถึงฝ่าเท้านิ้วเท้าทั้งห้านิ้ว แล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาอีกข้อเท้าแข้งลำแข้งหัวเขา่ากระดูกขากระดูกเชิงการลุูกสะโพกกระดูกสันหลังกระดูกชี่โครงนับเป็นชี้ชไล่ขึ้นมาเลยจนถึงกระดูกคอก็ไล่ลงไปถึงแขนอีกแขนขวาแขนซ้าย ก, กระดูกศรีษะ ก, กระดูกฟัน กระดูกขากัรไกลกระดูกฟันที่ติดกับขาตัรไกลอันนี้เราพิจารณากําหนดหลายๆครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้งกําหนดอยู่ตลอดเวลาให้มีสติอยู่ในกายยนครออยู่ในกระดูกเนี่ยให้มีสติไม่ว่าเดินจงกรมอยู่ในกับกระดูกนะให้ใจเดินกําหนดดูให้ดีหลายครั้งต่อหลายหนไม่ต้องว่ากี่ครั้งว่ากั้นเน่ะ จนจิตใจชำนิชำนานจิตใจมองเห็นร่างกายเห็นชัดเจนกระดูกพิจ า, าเห็นกระดูกท่อนไหนเห็นชัดเจนในขณะที่เรานั่งภาวนาและขณะที่เรานั่งดูสังเกตดูในร่างกายของเราเน่เราเห็นกระดูกท่อนไหนที่มันชัดเจนที่สุดเราเอาจิตจับอยู่ในจุดนั้นสมมวโมเราเห็นกระโหลกศีรษะเห็นชัดเจนในกระโหลกศีรษะเราก็เอาจิตของเรากาหนดอยู่จุดนั้นดูจุดนั้น จะว่าเพ่งก็ใช่จะว่าดูก็ใช่กำหนดดูนี่แหละไม่ให้ขยับไปที่อื่นเลยไม่ให้ดูไปที่อื่นให้ดูจุดนั้นจุดเดียวนี่แหละให้เห็นชัดตรงไหนที่เห็นชัดเราจิตเอาจิตไปจับที่จุดนั้นเมื่อจิตจับอยู่จุดนั้นนล้วนั่นแ่ะใจของเราจิตของเราจะได้รับความสงบเป็นสมาธิขึ้นมา จิตใจจะนิ่งแน่วที่จิตใจใจของเราที่มันคิดหุ่งเหยิงวุ่นวายไม่รู้จักจุดให้มันอยู่เที่ยวอยู่ในกายยนาคนครอย่างที่ได้เรียนให้ทราบหนึ่งจากนั้นก็กําหนดจุดใดจุดหนึ่งอเป็นกระดูกชี้โค้งกระดูกสันหลังที่ไหนอะไรก็ได้เป็นกระดูกจิตใจของเราจัด อยู่สงบนิ่งอะเลยต่พอมันพิจารณาเนี่อยู่ในกายยานครอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสร้างกายหเห็นกระดูกวนไปวกไปวนมาดูดูสอบไตายหรอบขวาทั้งสูงทั้งสามดูให้ชัดเจนใช้ปัญญาเมื่อ ถึงจุดหนึ่งล้วกนั้นอ่ะมากำหนดมาพิจารณาใจของเราจะได้รับความสงบนิ่งอันนี้แล้ว่ะปัญญาอบรมสมาธิเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะวิธีการปฏิบัติที่หลายๆวิธีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะคือเบื้องต้นกับเรื่องกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธเดินยกรมพุโทโธแต่ใจของเรายังไม่อยู่ยังคิดปุงฟุง้งซ่าน กำหนดกระดูกอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่อยู่กับพิจารณาถึงร่างกายส่วนร่างกายเจาผมโลมาขนนักขาฟันในทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจจับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเสลน้ำเลือดน้ำน้องน้ำโพน้ำเหลืองน้ำหิดตังน้ำเลือดเซโทน้ำเงือเมโทน้ำมันโคนอัดสูน้ำตาวัสดาน้ำมันเหลวไล่ไปเรื่อย ร่างกายจะสรุปแล้วก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าไม่หลงกายตัวเองจะไม่หลงคนอื่นถ้าหลงกายตนเองแล้วจะหลงกายคนอื่นเพราะนั้นพรธองค์จึงสอนไม่ให้หลงกายให้ดูกายว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของคนอื่นหญิงชายคนอื่นก็เช่นเดียวกันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ใจของเรามายึดมากาะ มาทำเป็นบ้านมาทำเป็นนครหรื อ, อกายยนครมายึดมาติดอยู่ตรงนี้ก็ทำให้ลุ่มหลงมัวเมาด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรถึงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายขณะที่มาบวชสามเดือนก็พยายามทำอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นจนอวสาน วิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาผมจะสอนในเรื่องความคิดในหลักของพุทธศาสนาสอนวิธีการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาศินสมาธิปัญญาของหลักของพระพุทธศาสนาผมจะไม่สอนให้คำแนะนำอย่างอื่นเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็ควรจะศึกษาเรื่องแนวความคิดของพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้าท่านให้คิดอย่างไรให้พูดอย่างไรหลักของพุทธศาสนาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรอันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนทางโลกมีแต่เสกสรรปั่นย่อจนลืมเนื้อลืมเนื้อลืมตัวแต่หลักของพุทธศาสนาให้ลี่คลายให้ตรวจตรา ให้เพ่งพินิษให้กำหนดให้รู้พิจารณาแยกแยะร่างกายของเรามีอะไรบ้างถ้าแยกออกเป็นส่วนๆแล้วเป็นยังไงเกษาผมเอาเอาผมไว้กองหนึ่งโรมาขนเอาขนไว้กองหนึ่งหน้าขาเล็บถอดเล็บไว้กองหนึ่งทันตาฟันถอดฟันไว้กองหนึ่งตะโจหนังถลกหนังไว้กองหนึ่งเนื้อไว้กองหนึ่งเอ็นไว้หนึงกองหนึ่งกระดูกไว้กองหนึ่งเป็นยังไง จนจับตใตไส้พุงจับใจไส้กระเพาะอาหารสรุปแล้วคือสามสิบสองอันเอาไว้คนละกองละกองอันไหนคือเราน่ารักใครชอบใจไหมถ้าแยกแยกเป็นส่วนๆไปแล้วเหมือนทําเป็นกองๆไว้แล้วน่ารักใครน่าชอบใจไหมถ้าเราถามอย่างนั้นเมื่อตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะน่ารักใครชอบใจ อันนี้เราเรียกว่าพักกรรมฐานพิจารณาแบบกรรมฐานถ้าเราพิจารณาอีกแบบหนึ่งมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่ความรักความรักความไข่ความเสกสรรปัญยออันนั้นก็คือกิเลสถ้าพิจารณาอย่างที่ผมพูดเนี่ยเนี่คือรักกรรมฐานในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนะในภาวนาตั้อกตั้งใจภาวนาในปัจจานี้ อย่างน้อยให้จิตใจสงบให้ได้สักครั้งหนึ่งถาาว่าพวกท่านทั้งหลายทําจิตให้สงบได้สักครั้งหนึ่งพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีวันลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนฉลาดจริงๆทําไมท่านจึงรู้วิธีการปฏิบัติอย่างนี้ทําใจอย่างนี้เพราะทำใจให้สงบหรือมีความสุขเย็นสบายแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทําจิตให้สงบไม่ได้เนี่ย แปลว่ายังไม่ถึงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเข้ามาแบบฉาบฉวยเข้ามาเดินผ่านเฉยไม่ได้รู้รสของพระธรรมวันนั้นในพรรษานะี้ยอย่าให้เปล่าประโยชน์บวชมาทั้งทีเสียสระคราวาิออกมาแล้วพยายามทำจิตให้สงบให้ได้ในพรรษาอย่างที่กล่าวเบื้องตน้นวิธีการนั่งสมาธิยังไงเกิดยังกลมยังไง ปฏิบัติตัวอย่างไรพิจารณาอย่างไรผมก็ได้อธิบายพอสมควรในครั้งนี้แต่ถือยังไงขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองคนะให้อยู่ในกรอบของหลักคำวินยัยเดินจงกรมเวลาเดินบิณฑบาตอย่าไปคุยกันพยายามต่างองค์ต่างไปพระเก่าพยายามสอนพระใหม่อย่าไปพาทำเสียเองต่างองค์ต่างไปต่างองค์ต่างเดินจงกรม พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยจะไปเดินห่างไกลไกลกันจนเกินไปพยายามให้อยู่ห่างเป็นแถวแนวเดียวกันแต่ว่าให้เดินเหมือนกับเดินจงกลมนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเป็นการเดินจงกลมเพราะเราไม่ใช่เดินเดินขอทานเราไม่ใช่ไปเดินแบบคนไปเดินขอทานจากชาวบ้านไม่ใช่ยังนั้นเดินแบบสมณะสาูป เดินจงกรมพุโทโธพุโทโธถ้าเขาใส่บาตรเขาจะได้บุญกุศลจากพวกเราเพราะเราปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาโดยสม่ำเสมอวันนั้นการพูดของผมในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ต่อนนไปเอานั่งสมาธินะนั่งสมาธิเลยแหละแล้วก็ค่อยเลิกกัน